สปัจจุปันนาติตะวาลอนุโลมบุคคลจากขุนตีมูลกนัยสามอยสามอนุโลมปุจฉาจากขุนสีของบุคคลใดกำลังเกิดโสตินรีของบุคคลนั้นก็เกิดเกิดใช่ไหมวิจตชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสตินรีของบุคคลใดเคยเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิ ด, กกดใช่ไหม วิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีจักรูเกิดไม่ได้กําลังอุบัติโสตินรีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่จักขุนรีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจักรูเกิดได้กําลังอุบัติโสตินทรียของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและจักขุนตีก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักขุนตีของบุคคลใดกําลังเกิดคานินทรียของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหม วิจัดชนาใช่ปฏิโรมปุชชาคานินทรีของบุคคลใดเคยเกิดจากขุนตรีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังสุติบุคคลผู้มีจกักรกเกิดไม่ได้กําลังอุบัติคานินทรีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่จากขุนตรีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจกักรกเกิดได้กําลังอุบัติ ทานินซีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและจากขุนซีก็กำลังเกิดอนุโลมปุชชาจากขุนซีของบุคคลใดกำลังเกิดอิถินซีและปุริตินซีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุชชาปุริตินซีของบุคคลใดเคยเกิดจากขุนซีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนา บุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีจักรคเกิดไม่ได้กำลังอุบัติปุริสินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่จักขคุณรีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักรคูเกิดได้กำลังอุบัติบุริสินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและจักขคุณรีก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักขคุณสีของบุคคลใดกำลังเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหม วิจัชนาะใช่ปฏิรลมปุชชาชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดเคยเกิดจากขุนทรีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีจากขู่เกิดไม่ได้กําลังอุบัติชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่จากขุนทรีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจากขู่เกิดได้กําลังอุบัติ ชีวิตินทร์สีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและจากขุณสี it, ก็ก ำ, ำลังเกิดอนุโลมปุชชาจากขุนสีของบุคคลใดกำลังเกิดโสมนณตินทร์สีและอุปเปกินทร์สีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุชชาอุปเปกินทร์สีของบุคคลใดเคยเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิ ด, กนนกกดใช่ไหมวิจัดชนาะ บุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีจักู่เกิดไม่ได้กำลังอุบัติอุเปกขินสีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่จักขคุณสีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักู่เกิดได้กำลังอุบัติอุเปกขินสีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและจักขคุณสีก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักขคุณสีของบุคคลใดกำลังเกิด สัตทินสีละปัญรียละมณีสีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิรมปุจฉามณีสีของบุคคลใดเคยเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีจากขุนเกิดไม่ได้กําลังอุบัติมณีสีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่จากขุนสีไม่ใช่กําลังเกิด บุคคลผู้มีจะขู่เกิดได้กําลังอุบัติมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและจกักขุนรีก็กําลังเกิดจกักขุนทริยมุรกานายัยจบคาณินธริยมุรกานัยสามอยสามสิบอนุโลมปุชชาคานินทรี ย, ราายอร ข, ของบุคคลใดกําลังเกิดอิตินทรีและบุริสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาะใช่ ปฏิบรมปุชชาปุริสินรียของบุคคลใดเคยเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติบุริสินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่คานินทรียไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กําลังอุบัติ บุริสินรียของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและคานินทรีย์ก็กําลังเกิดอนุโลมปุชชาคานินทรียของบุคคลใดกําลังเกิดชีวิตอินทรีย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชชาชีวิตอินทรีย์ของบุคคลใดเคยเกิดค <characteristics> านินทรียของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติ บุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่คานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัติชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและคานินทรีย์ก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาคานินทรียของบุคคลใดกำลังเกิดโสมนันสินทรียและอุเปกินทรียของบุคคลนั้นกะ็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่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 อุปเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและคานินทรียก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาคานินรียของบุคคลใดกำลังเกิดสัตตินรีละปัญญินรียละมณินรียของบุคคล น, นั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามณินทรียของบุคคลใดเคยเกิดคานินทรียของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะ บุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีคานาเกิดไม่ได้กำลังอุบัติมนินทรียของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่คานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัติมนินทรียของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและคานินทรีย์ก็กำลังเกิดคานินทรียมูลกนัยจบอิถธินตรียมูลกนัยสาม อนุโลมปุชฌาอิทิินทรียของบุคคลใดกําลังเกิดปุรีทินรีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุชฌาปุรีทินรียของบุคคลใดเคยเกิดอิทิินรียของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้กําลังอุบัติปุรีทินทรียของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิด แต่อิทธินทรียไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติปุริถินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดได้อิทธินทรีย์ก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาอิทธินรีย์ของบุคคลใดกําลังเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉาชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดเคยเกิด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 อิทธินรีของบุคคลใดกําลังเกิดโสมนัสสินีละอุเปกินีละสัตินรีละปั ญ, ญนินีละมณินรียของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมพิจาชนาะใช่ปฏิโลมปุชฌามณินทรีของบุคคลใดเคยเกิดอิทธินรีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมพิจาชนาะบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติ บุคคลผู้ม <th> ีอิทธิเกิดไม่ได้กำลัง <SPEAK> อุบัติมนณีสีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่อิทธินีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติมนณีสีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแด้อิทธินีก็กำลังเกิดอิทธินตรีมูลกนัยจบปุริสินตรีมูลกนัยสาุร้อยสามิอนุโลมปุชชา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 แต่ปุริสินสไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีปุริสาเกิดได้กําลังอุบัติชีวิตินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและปุริสินสีก็กําลังเกิดอนุโลมปุชชาปุริสินสีของบุคคลใดกําลังเกิดโสมณตินสีละอุเปกินสีละจัดทินสีลปัญญินรีละมณินรียของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ ปฏิโ ล, ลมปุชชามนณีส <Yes> ีของบุคคลใดเคยเกิดปุริสินรียของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมพิจชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีปุริสาเกิดไม่ได้กําลังอุบัติมนณีสีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่ปุริสินรียไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีปุริสาเกิดได้กําลังอุบัติมนณีสีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและปุริสินรียก็กําลังเกิด ปุริสินทริยมุรกไนจบชีวิตอินทริยมุรกไนสย339อนุโลมปุจฉาชีวิตอินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดโสมนัสตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมพิจารนาใช่ปฏิโลมปุชชาโสมนัสตินทรีย์ของบุคคลใดเคยเกิดชีวิตอินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิจาชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติในพังธะขณะแห่งจิตในประวัติการโสมนัณสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่ชีวิตินรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติในอุปาธขณะแห่งจิตในประวัติการโสมนัณสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและชีวิตินรีย์ก็กำลังเกิดอนุโลมปุชชา ชีวิตินทรีของบุคคลใดกําลังเกิดอุเปกินทรีละสัตินทรีละปัญินรีละมณนทรีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามณีตรีของบุคคลใดเคยเกิดชีวิตินทรีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติในพังค์ขณาแห่งจิตในประวัติการมณนตรีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิด แต่ชีวิตินทรีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติในอุปาทขคณะแห่งจิตในประวัติการมิีตรีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและชีวิตินทรีก็กำลังเกิดชีวิตินทรีย์มูลกนัยจบโสมณ ส, สินทรีย์มูลกนัย340อนุโลมปุชชาโสมนสสินทรีของบุคคลใดกำลังเกิด อุเปกินสีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาะใช่ปฏิโลมปุชชาอุเปกินสีของบุคคลใดเคยเกิดโสมนัตสินสีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะในพังค์ขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากโสมณัตบุคคลผู้เข้านีโรดสมาบัติและบุคคลผู้บัตอยู่ในอาศัญญะสัตตภูมิ อุเบกินสีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่โสมนัสสินรียไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นโสมนัสกาลังอุบัติในอุปาทาขณาแห่งจิตที่สัมปยุทธโ ด, ดยโสมนัสในประวัติการอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและโสมนัสสินรียก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาโสมนัสสินทรียของบุคคลใดกําลังเกิดสัตตินรียละปัญรียละ มณีตีของบุคคล น, นั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโดมปุจฉามณีตีของบุคคลใดเคยเกิดโสมนัสตินรียของบุคคล น, นั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัช น, นาในพังคะขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาฆขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากโสมณัตบุคคลผู้เข้าในรสสมาบัตและบุคคลผู้บัตอยู่ในอสัญญัตต ภ, ภูมิ มนินตรีของบุคคลเลนั้นเคยเกิดแต่โสมนัสสินตรีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นโสมนัสกําลังอุบัติในอุปาทขณาแห่งจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยโสมนัสในประวัติการมนินทรีของบุคคลเลนั้นเคยเกิดและโสมนัสสินตรีก็กําลังเกิดโสมนัสสินตริยมูลกานายัยจบอุเปกินตริยมูลกานายัย341 อนุโลมปุชชาอุเปกินตีของบุคคลใดกําลังเกิดสัตทินสีของบุคลบคล น, นั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจนะัชจนาใช่ปฏิโดมปุจฉาสัตตินตีของบุคคลใดเคยเกิดอุเปกินตีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจนะัชจ น, นาในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทฆะขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากอุเบขา บุคคลผู้เข้าในโรตสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตต ภ, ภูมิสัตทินรียของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่อุเปกินรียไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นอุเบขากําลังอุบัติในอุปาทขณาแห่งจิตที่ถมปยุทธ์ด้วยอุเบขาในประวัติการสัตทินรียของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและอุเปกินรียก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉา อุเปกินสีของบุคคลใดกำลังเกิดปัญญินรีและมณินรียของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโดมปุจฉามณินทรีของบุคคลใดเคยเกิดอุเปกินสีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในพังฆาณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทฆาณาแห่งจิตที่วิปยุตจากอุเบขา บุคคลผู้เข้านีโรธสมาบัติแต่บุคคลผู้บัติอยู่ในอาศัญยสัตตภูมิมนณีสีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่อุเปกินสีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นอุเบกขากําลังอุบัติในอุปาทคณาแห่งจิตที่สามปยุทธ์ด้วยอุเบกขาในปวัตติการมนมณีสีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและอุเปกินสีก็กําลังเกิดอุเปกินตริยมูลกานายัยจบ สัตทินตรียมูลกนัยสาอยสี่อนุโลมปุจฉาสัตทินตีของบุคคลใดกำลังเกิดปัญญตีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาะใช่ปฏิโดมปุจฉาปัญญตีของบุคคลใดเคยเกิดสัตทินตีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะในพังคขณาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมด ในอุปาทขศนาแห่งจิตที่วิปยุตจากศรัทธาบุคคลผู้เข้านีโรธสมาบัติแต่บุคคลผู้บัตรอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิปัญญินทรียของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่จตินทรียไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้เป็นเหตุตุกะกำลังอุบัติในอุปาทขศนแห่งจิตที่สัมปยุต์ด้วยศรัทธาในประวัติการปัญญินทรียของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่จตินทรียก็กำลังเกิด อนุโลมปุจฉาสัตทินตีของบุคคลใดกําลังเกิดมนินตียของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะใช่ปฏิโรมปุจฉามนินตียของบุคคลใดเคยเกิดสัตตินตีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะในพังคะขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทะขณะแห่งจิตที่วิปยุจ์จากศรัทธา บุคคลผู้เข้านีโรธสมาบัติได้บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตต ภ, ภ, ภูมิมนนิทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่สัตทินรียไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้เป็นสเหตุกะกําลังอุบัติในอุ ป, ปาทขณาแห่งจิต ท, ที่สามปยุทธ์ด้วยศรัทธานในประวัติการมนิณีสีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่สัตทินรียก็กําลังเกิดสัตทินตรียมูลกนยัยจบ ปัญญทรียมูลกนัยสามอยสี่อนุโลมปุจฉาปัญญสียของบุคคลใดกำลังเกิดมณีสีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉามณีสีของบุคคลใดเคยเกิดปัญญินรียของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะในพังธะขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาธขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากญาณ บุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้บัตอยู่ในอสัญญสัตตภูมิมณีสีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่ปัญญีสีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้เปญญ็นยานสสามปยุตกำลังบัตในอุปาทกนแห่งจิตที่สามปยุตได้ยาในปวัตติกานมินีสีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและปัญญิีสีก็กำลังเกิดปัญญตริยมูลกานายัยจบ อนุโลมโอกาสจะขุนทริยมุรการัย3 4 4อนุโลมปุชชาจะขุนสีในปูมิใดกําลังเกิดโสตินรีในปูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมละอนุลโลมปุกโลอกาสจะขุนธริยมุรการัยสามอนุโลมปุชชาจะขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิด โสตินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิตัชนาบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทาวาสภูมิจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้น şey ite, ในภูมินั้นกําลังเกิดแต่โสตินรียไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจักรคเกิดได้กําลังอุบัติจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่โสตินรียก็เคยเกิดปฏิโดมปุชชา โสตินทรีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัิชนาบุคคลผู้กําลังจุติจากปัญจโวการภูมิบุคคลผู้มีจากขูเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิโสตินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่จากขุนสีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจากขูเกิดได้กําลังอุบัติ โสตินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและจากขุนรีก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาจากขุนศีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดคานินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัตชนาบุคคลผู้กําลังอุบัติในรูปาวจรภูมิจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่คานินทรีย์ไม่เคยเกิด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 บุคคลผู้มีจะขู่เกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิคานินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่จากขุนรีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจะขู่เกิดได้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิคานินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและจากขุนศีก็กำลังเกิดอนุโลมปุชชาจากขุนศีของบุคคลใดในภูมิใดายกำลังเกิด อิตินรีละปุริสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลผู้กําลังอุบัติในรูปาวจรภูมิจากขุนศีของบุนนงคบ ค, เคลาาเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่ปุริสินสีไม่เคยเกิดบุคคลผู้มีจ้าครูเกิดได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและปุริสินสีก็เคยเกิด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 บุคคลผู้มีจักรคูเกิดได้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิบุรีสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและจากขุนสีก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาจากขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดายกำลังเกิดชีวิตินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทาวาสภูมิจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิด แต่ชีวิตินทรียีไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจะขู่เกิดได้กําลังอุบัติจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและชีวิตินทรียีก็เคยเกิดปฏิโดมปุจฉาชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจชนะนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติ บุคคลผู้มีจักรคเกิดไม่ได้กำลังอุบัติชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภู ม, มินั้นเคยเกิดแต่จากขุนศีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักรคเกิดได้กำลังอุบัติชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภู ม, มินั้นเคยเกิดและจากขุนศีก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาจากขุนศีของบุคคลใดในภูมิใดายกำลังเกิดสมณตินทร์สีของบุคคลนั้นในภู ม, ม, น han, ภ ม, มินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนา บุคคลผู้กำลังอ mm ุบ hmm. mm ัติในสุทาวาดภูมิจากขุน4ีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่โสมนัสสิน4ีไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจะาขู่เกิดได้กำลังอุบัติจากขุน4ีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและโสมนัสสิน4ีก็เคยเกิดปฏิโรมพุจฉชาโสมนัสสิน4ีของบุคคลใดในภูมิดเคยเกิด จากขุนรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจาชนาบุคคลผู้กําลังจุติจากปัญจโวการภูมิบุคคลผู้มีจากขู่เกิดได้ไม่ได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิโสมนัสถินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่จากขุนศีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจากขู่เกิดได้กําลังอุบัติโสมนัตสินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิด และจากขุนศีก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาจากขุนศีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดอุเปกขินศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชานาบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทาวาสภูมิจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่อุเปกขินศีไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจกักรคเกิดได้กําลังอุบัติ จากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแล้วเปก์ขุนศีก็เคยเกิดปฏิโรมปุชชาอุเปก์ขุนศีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมพิจัดชนาบุคคลผู้กําลังยุติจากปัญจโวการภูมิบุคคลผู้มีจากขู่เกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิบุคคลผู้บัตอยู่ในอรูปภูมิ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 บุคคลผู้มีจกักรคเกิดได้กำลังอุบัติมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและจกักขุนรีก็กำลังเกิดจกักขุนตริยมูลกนัยจบคานินทริยมูลกนัย346 อ, อนุโลมปุจฉาคานินทรียของบุคคลใดในภูมิใดายกำลังเกิดอิทินทรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะใช่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 อิทธิ์ศีกของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและคาณินทรียก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาคานินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดปุริสินทรศีกของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัตชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาปุริศินป์ศีกของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนา บุคคลผู้กำลังจุตีจากกามาวจรภูมิบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิปุริสินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่คานินรีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัติปุริสินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและกานินรีก็กาลังเกิดอนุลมปุชา คานินตีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดชีวิตินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมพิจัดชนาใช่ปฏิโดมปุจฉาชีวิตินตียของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดคานินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมพิจัดชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีคารน่เกิดไม่ได้กําลังอุบัติชีวิตินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิด แต่คานินตีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กําลังอุบัติชีวิตินตียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดและคานินทรียก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาคานินตีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดโสมณสินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจตชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉาโสมณสินทรีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิด คาณินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจาชนาบุคคลผู้กําลังจุตีจากกามาวจรภูมิบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิโสมนัตินทีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่คานินตีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กําลังอุบัติในโสมัต ศิลป์ีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั <im itating> ้นเคยเกิดและคาินศีก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาคาณินศีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดอุเปกิณศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอุเปกิณศีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดคาณินศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนา บุคคลผู้กำลังจุตใจจากกามาวจรภูมิบุคคลผู้มีคานาเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่คานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานาเกิดได้กำลังอุบัติอุปเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและคาอินทรีย์ก็กำลังเกิด อนุโลมปุจฉาคานินสียของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดสัตทินรียและปัญญรียและมณินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามณินทรียของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดคานินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้กําลังจุติจากกามาวจรภูมิ บุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกามาปจรภูมิบุคคลผู้บัตอยู่ในรูปปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิมนินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่คานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัติมนินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและคานินทรียก็กำลังเกิดคานินตริยมูลกายนิจจบ อิทินตียามูลก น, น 7, ัย347อนุโลมปุชฌาอิทินติของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดปุริถินีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิตัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาปุริถินติของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดอิทธินติของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิตัดชนาบุคคลผู้กําลังจุติจากามาวจรภูมิ บุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิบุริสินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่อิทธินตีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติบุริสินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและอิทธินตีก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาอิทธินตีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิด ชีวิต yep. yes. um, ินทร์ตรีของบุคคลนั้นในภูมินั таки, ้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโดมปุชชาชีวิตินทรีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดอิทธินทรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กําลังจุติจากกามาวจรภูมิบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิ บุคคลผู้บัติอยู่ในรูปปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิชีวิตินทรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่อิทินทรียไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติชีวิตินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและอิทธินทรียก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาอิทธินทรีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิด โสมนัสสินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุชชาโสมนัสสินรีของบุคคลใดในภูมิดเคยเกิดอิทธิรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กาลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้กำลังจุติจากามาวจรภูมิบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้กาลังอุบัติในกามาวจรภูมิ และบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปราวจรภูมิโสมนัสทิ้นตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่อิทิ้นตีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติโสมนัสทิ้นตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดได้อิทิ้นตีก็กําลังเกิดอนุโลมปุชชา อิตินตีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดอุเปกินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุชชาอุเปกินตีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดอิตินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้กําลังจุติจากกามาวจรภูมิบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิ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 บุคคลผู้บัติอยู่ในรูปราวจรภูมิและอรูปราวจรภูมิมนินีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่อิทธินีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติมนินีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและอิทธินีก็กําลังเกิดอิทธินริยมูลกนัยจบปุริสินรียมูลกนัยสาม อนุโลมปุจฉาปุริสินสีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดชีวิตสินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาชีวิตสินทรียของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้กําลังจุดตีจากกามาวจรภูมิ บุคคลผู้มีปุริชาเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิบุคคลผู้บัตอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่ปุริสิทรียไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีปุริชาเกิดได้กำลังอุบัติชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและปุริสิทรียก็กำลังเกิดอนุโลมปุชชา บุริสินสีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดโสมนัสสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมพิจาชนาใช่ปฏิโดมปุชชาโสมนัสสินสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมพิจาชนาบุคคลผู้กําลังจุติจากามาวจรภูมิบุคคลผู้มีปุริสาเกิดไม่ได้กําลังอุบัติ ในการมาวจรภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปาวจรภูมิโสมนัสสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่ปุริสินสีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีปุริสาเกิดได้กําลังอุบัติโสมนัสสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและปุริสินสีก็กําลังเกิดอนุโลมปุชชาปุริสินสีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิด อุเปกินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอุเปกินสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชานาบุคคลผู้กําลังจุติจารกรรมาวาจรภูมิบุคคลผู้มีปุริจารเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามาวาจรภูมิ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 จบชีวิตินตรีมูลกนัยสามอยสี่อนุโลมปุจฉาชีวิตินทรี ย, ยอรชชของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะในอุปาทขนาแห่งอุปติจิตของบุคคลผู้บัติอยู่ในสุทาวาตภูมิบุคคลผู้กําลังอุบัติในอสัญญาสัตตภูมิ ชีวิตินทรียีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่โสมนัสสินทรียีไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้กำลังอุบัติในจตโวการะภูมิและปัญจโวการะภูมิในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการชีวิต э ินทรีย so ีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและโสมนัสสินทรียีก็เคยเกิดปฏิโลมปุชชาโสมนัสสินทร์สีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิด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 ในอุปาถขณะแห่งจิตในประวัติการโสมนัสสินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและชีวิตินทรียก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาชีวิตินทรีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดอุเปกขินทรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจตัชนาะบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทาวาตภูมิและบุคคลผู้กําลังอุบัติในอาศัญยศต ภ, ภูมิ ชีวิตินทรียีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่อุเปกินทรสีไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้กำลังอุบัติในจตุวการภูมิและปัญจโวการภูมิในอุปาทขศนาแห่งจิตในประวัติการชีวิตินทร์สีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและอุเปกินรสีก็เคยเกิดปฏิโรมปุจฉาอุเปกินทรสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิด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 ในอุปาถขนาแห่งจิตในประวัติการอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและชีวิตินรียก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาชีวิตินรียของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดสัตตินรียละปัญญินรียละมณินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมผู้ตัดนาะ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 มนณีสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดชีวิตินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจาชนาะบุคคลผู้กําลังจุติจากจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิในพันคณะแห่งจิตในประวัติการมนนิทรียีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังอุบัติในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิ ในอุปาธกนาแห่งจิตในประวัติการมนิีสีของบุคคลเหล่านั้นในปุ่มนั้นเคยเกิดแต่ชีวิตจินรีก็กำลังเกิดชีวิตินทรียมูลกนัยจบโสมนัสสินทรียมูลกนัยสามร้อยห้าสิบอนุรมปุจ ช, ชา โมสมณตินรีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดอุเปกินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะใช่ปฏิโลมปุชฌาอุเปกินรีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดโสมนัณสินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะในพังคัณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณาแห่งจิตที่วิปยุตจากโสมณต อุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่โสมนัตสินรียไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นโสมนัตกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุทธด้วยโสมนัตในประวัติการอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและโสมนัตสินรียก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาโสมณัตสินรียของบุคคลใดในภูมินใดายกำลังเกิดสัตทินรีและปัญญินรีละ มณียีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิรลมปุจฉามณีสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดโสมัณสินรียีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทัศนาแห่งจิตที่เวิปยุทธจากโสมนัตมณีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิด แต่โสมัตินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นโสมณต์กำลังอุบัติในอุปาทขศนาแห่งจิตที่สัมปยุตได้โสมณต์ในภาวัติการมานินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและโสมนณตินรียก็กำลังเกิดโสมนณตินริยมูลกนัยจบอุปเปกินิยมูลกนัยสามร้อยห้าอนุโลมปุชชา อุเปกขินสีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดสัตตินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมพิตัชนาะบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทาวาตภูมิอุเปกขินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่สัตทินรียไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้มีจิตเป็นอุเบขากําลังอุบัติในอุปาถขณะแห่งจิตที่สัมปยุทธ์ ด, ด้วยอุเบขาในประวัติการ อุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและสัตทินรีก็เคยเกิดปฏิโลมปุชชาสัตทินสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดอุเปกินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจาชนาในพังคาขนาดแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขนาแห่งจิตที่วิปยุจจากอุเบขาสัตทินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่อุเปกินสีไม่ใช่กําลังเกิด บุคคลมีจิตเป็นอุเบกขากำลังอุบัติในอุปาทกนาแห่งจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยอุเบกขาในประวัติการสัตตินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและอุเปกินรีก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาอุเปกินรีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดปัญญินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิสัชนาะบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทาวาตภูมิ อุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่ปัญญินรียไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้มีจิตเป็นอุเบขากําลังอุบัติในอุปาทคณะแห่งจิตที่สามประยุทธ์ด้วยอุเบขาในประวัติการอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและปัญญินรียก็เคยเกิดปฏิโลมปุชชาปัญญินรียของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิด อุเปกินสีของบุคคลนั้นในภูม่มนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชณนาะในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทัศะแห่งจิตที่วิปยุตจากอุเบขาปั ญ, ญินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่อุเปกินสีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นเบขากําลังอุบัติในอุปาทขศนาแห่งจิตที่สัมปยุต ด, ด้วยอุเบขาในประวัติการ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 บุคคลนอกนี้มีจิตเป็นอุเบกขากําลังอุบัติในอุปาทัศนาแห่งจิตที่สามปยุทธ์ด้วยอุเบกขาในประวัติการอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในปู่มนั้นกําลังเกิดและมนนิทรีย์ก็เคยเกิดปฏิโลมปุจฉามนนิทรีย์ของบุคคลใดในปูมิใดเคยเกิดอุเปกินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะในพังคขศนาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมด ในอุปาทขศนาแห่งจิตที่วิปยุตจากอุเบกขามนินทรียของบุนคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่อุเปกินสีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นอุเบกขากำลังอุบัติในอุปาทขศนาแห่งจิตที่สัมปยุต ด, ด้วยอุเบกขาในประวัติการมนินทรียของบุนคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและอุเปกินสีก็กำลังเกิดอุเปกินตริยมูลกนัยจบ สัตทินตรีมูลกนัยสามร้อยห้าสิบสองอนุโลมปุจฉาสัต ท, ทินตรีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดปัญญินตรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมพิจัดชนาะบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทาวาสภูมิสัต ท, ทินตรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่ปัญญินตรีไม่เคยเกิด บุคคลนอกนี้ผู้เป็นสาเหตุกะกําลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สมประยุทธ์ด้วยศรัทธาในประวัติการสัตตินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและปัญญินรียก็เคยเกิดปฏิโดมปุชชาปัญญินรียของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสัตทินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะในพัง ข, ขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมด ในอุปาทขศนแห่งจิต ท, ที่วิปยุตจากศรัทธาปัญญีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่สัตทินรียไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้เป็นสาเหตุตุกะกำลังอุบัติในอุปาทขศนแห่งจิต ท, ที่สัมปยุตได้วยศรัทธาในประวัติการปัญญ์ปัญญีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและสัตทินรียก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉา สัตทินรียของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดมนิณีสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจารนาบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทาวาตภูมิสัตทินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่มนณีสีไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้เป็นเหตุตุกากำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุตได้วยศรัทธาในประวัติการสัตทินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิด และมณีสีก็เคยเกิดปฏิโลมปุจฉามณีสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสัตทินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจตชนาะในพังทขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทัศนาแห่งจิตที่วิปยุจจากศรัทธามณีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่สัตทินรียไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้เป็นเหตุตุกากากำลังอุบัติ ในอุปาทันาแห่งจิตที่สัมปยุตได้ศรัทธาในประวัติการมนณีศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและสัตทินรียก็กําลังเกิดสัตทินตรียมูลกนัยจบปัญญตรียมูลกนัยสามอยห้าอนุโลมปุชชาปัญญรียของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดมนิณีศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหม วิจัดชนาะบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทาวาตภูมิปัญญีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่มไม่รียไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้เป็นญาณสัมปยุตกําลังอุบัติในอุปาทขคณาแห่งจิตที่สัมปยุตได้ญาณในประวัติการปัญญีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและมินทรียก็เคยเกิดปฏิโลมปุจฉา มนินรียของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดปัญญินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมพิจารณาในพังคัณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขศนาแห่งจิตที่วิปยุตจากญาณมนิมนทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่ปัญญินรียไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้เป็นญาณสัมปยุตยกำลังอุบัติในอุปาทขศนาแห่งจิตที่สัมปยุตยได้ญาณในประวัติการ มนณีศีก็มุกคนเหล่านั้นในปูมินั้นเคยเกิดและปัญญีศีก็กำลังเกิดปัญญตริยมูลกนัยจบ